ใจเราของแต่ละคนละคนเป็นสถานที่เกิดแห่งโลกและธรรมหรือจะพูดว่าเป็นสถานที่เกิดแห่งกิเลกกับธรรมก็ได้เราจะเพาะอะไรจะบำรุงอะไรให้มากสิ่ง น, นั่นก็เจเริญ ง, งอกงา ม, มน กิเลสนั้นมันเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วจนกระทั่งทำแทรกลงไม่ได้ในหัวใจหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่เมื่อเสร็จออกไปสนงขหมวดก็คือไปกาจัดเปลี่ยนแลงวัตถุมาทาเป็นวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจ เพื่อถ่ายเทเอาสิ่งที่ไม่พุ่มปรธาธนานั้นออกแล้วเพราะทำให้เกิดขึ้นภายในใจใจที่มีกิเลสไม่มีทำภายในตัวเองเลยก็ต้องมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงทั้งวันทั้งคืนการเคลื่อนไหวไปมา ก็เพื่อมออกแต่ละขนะขณะดย่นแล้วตั้งแต่เป็นการก้าวเดินหรือเพื่อนย้ายของเลียออกเที่ยวหากินไปไม่มีวันมีคืนไม่มียืนเดินนั่งนอนียาบทการสถานที่ไม่มีพวกนี้ไปตลอดเวลาเว้นแต่หลับสนิทเท่านั้นคือการหลับสนิท พิเรศมันก็พักตัวมันสำคัญความคิดความปรุงสัญญาความสาคัญมันหมายมันก็ระงับดับไปหมดเพราะอาศัยขันนี้เป็นเครื่องมือของพิเลศสิ่งวันนี้ระงับกิเลศ ก, ก็ต้องหยุดระงับลงไปคนที่หลับสนิทนั่นคือกิเลศ ก, ก็พักพวกที่ได้นิพพาน ปกคนมีกิเลสได้นิพานก็พอจะเทียบกันได้ก่อนได้ตอนที่หลับสนิทเพราะตอนนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวกวนเลยเงียบสนิทเราเรียกว่าคนมีกิเลสได้สัมผัสนิพานก็พอจะพูดได้เป็นเครื่องเทียบเทียม ในขณะที่หลักสนิทไม่ได้ละเมอเพ้อฝันไปได้ไปได้ทั้งสิ้นพอหลังจากนั้นแล้วก็ <c oughs> มีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวอยู่บนหัวใจเมื่อกิเลสเกิดก็ถูกผิดอะไรไปีิเลสแค่กระจายเอาไปทุกแห่งทุกคนทุกเวันละเวลาก็ไม่ผิด ที น, นี้พอมาปฏิบัติอุบายวิธีเรื่องราวที่กิเลสจะเกิดก็พยายามระงรับสาเหตุของมันด้วยหลักธรรมซึ่งเป็นคู่ปราบกันที น, นี้เมื่อกิเลสถูกปราบด้วยหลักธรรมแล้วความเปียนโล่งก็ค่อยปรากฏขึ้นมาคือความสงบโล่งจิตโล่งใจขึ้นมา ทำเริ่มปรากฏนะที่ น, นี่นี่จะเรียกว่าธรรมเกิดความสงบที่ไม่เคยเกิดก็เกิดความสบายที่ไม่เคยเกิดก็เกิดสติปัญญาอุบายวิธีการแก้กิเลสต่างๆไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยมีก็มีกิเลสไม่เคยดับไม่เคยตายก็ค่อยดับค่อยตายไปเรื่อยๆเนี่ย ด้วยความเพียรประเภทต่างๆอุบายวิธีต่างๆของโยคาวาจรผู้ประกอบความเพียรทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าและภาษาภาษาโกทั้งหลายเป็นตัวอย่างเมื่อธรรมเกิดขึ้น บ, บ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลส ก, ก็ค่อยดับไปเรื่อยๆธรรมเกิดขึ้นมากกิเลส ก, ก็ยิ่งดับไปมาก สติปัญญาเป็นเครื่องมือสาคัญความเพียรเป็นเครื่องหนุนความหมายมั่นปั้นมือหรือความมุ่งมั่นเป็นเหมือนกับเครื่องดึงดูดให้สติปัญญาก้าวเดินให้ความเพียรหนุนกันไปความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสาคัญยิ่งได้เห็นผลปรากฏเป็นลาดับด้วยแล้วความมุ่งมั่นก็ยิ่งมีกำลังมาก แล้วทำก็เกิดขึ้นเอยๆสมาธิทำเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นสงบเพียงเล็ดน้อยพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็สงบมากมากขึ้นไปเรื่อยๆทัติที่มีมีน้อยก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆปัญญาที่เคยล้มลุกคุกคลานหรือไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอมีความสงบแล้วหาวใบาใช้ปัญญาก็ ก็ เ, เกิดขึ้นได้เป็นลำดับรำดาบมีสิ่งล้วนได้ตั้งแต่ทรมกค่าทมทางดำเนินหรึอเครื่องมือผลก็คือสิ่งที่สติปัญญาทำได้แก้ได้หยุดลอยไปเป็นความหายกังวลขึ้นมาขาดวักขาดตอนไปเป็นลำดับทำจึงเกิดเรื่อยๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่เตคือ ส, สติปัญญาศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นเรื่อยๆมีกําลังขึ้นมาเรื่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยสามารถแก้กิเลสอาชวะต่างๆไปได้โดยลําดับลําดับนี่เรียกว่าฝายเหตุทำเป็นฝ่ายเหตุก็จะเลยผลได้จากความสงบสุขหรือความหายกังวลความหมดเพีย้ยนหมดน้ำภายในจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่ามรรคผลนิพพาน จนกระทั่งกิเลสอาชวะทุกประเภทซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตใจแทบไม่ทราบว่าใจคืออะไรเพราะมีแต่ความเคลื่อนไหว ม, มีแต่กิเลสทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ดั่งเดิมแต่แล้วก็ถูกสติปัญญาจัดทาความเพียรปราบลงอย่างราบไม่มีจินใดเหลือเลยนี่จิงว่าทีนี้ทําเกิดเต็มภูมิ ใจที่เป็นเรือนรังของเอกลียดต่ก่อนกลายมาเป็นภาชนะสําหรับทําโดยสมบูรณ์นอกจากทํากับใจกลายนอกจากใจเป็นภาชนะของทำโดยสมบูรณแล้วใจกับทำยังเป็นอันเดียวกันด้วยเมื่อเข้าถึงขั้นจิตคือทำทำคือจิตหรือทำคือทำคือใจใจคือทำแล้วนั้นก็หมดปัญหานี้เ ร, เรียกว่าทำเกิด อ, อย่างเป็นพูน นอกจากนั้นแล้วคือหลังจากนั้นแล้วยังเป็นอุบายแห่งธรรมที่เกิดขึ้นได้เล ย, เลยอุบายวิธีการต่างๆคือความแยกภลายของธรรมแต่ละอย่างในอย่างที่จะแตกข้หนงออกมาจากความมืดสกนั้นอันเป็นอุบายวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนคนหรือเป็นเครื่องเตือนสติต่างเป็นเครื่องรุ่นเรงสำหรับจิตดวงนั้นก็มีขึ้นมาเรื่อย ดังที่ท่านอาจารย์มั่นได้พูดในปัญหาซึ่งตอบประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องคลุกคลนั้นเป็นต้นท่านเคยกล่าวเสมอว่าอัตธรรได้ปรากฏขึ้นภายในาจิตใจของท่าน้วยๆคำว่าอาัตทรมเหล่านี้ไม่ในหมายถึงวมารทมเป็นเครื่องแก้กิเลสของท่านเพราะกิเลสของท่านสิ้นไปหมดแล้วแต่ทำไมจึงทาจึง เ, เกิดอยู่เสมอ คือทมเหล่านี้เป็นทำรุ่นเริงเป็นอุบายวิธีต่างๆให้เกิดความรุ่นเริงมันถึงตามธรรมชาติของจิตที่มีทมเป็นเครื่องนุ่นเรองเท่านั้นและอุบายวิธีต่างๆที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นใดก็ต่างเกิดขึ้นเรื่อยๆเห็นอะไรก็ทำก็เกิดคือเป็นอุบายวิธีปรากฏขึ้นมา อุบายวิธีปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะได้เห็นไม่ว่าได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสกับเรื่องอะไรสติปัญญาคอยที่จะผิดเป็นธรรมขึ้นมานั้นผิดอยู่เรื่อยๆนั่นจึงว่าธรรมเกิดเรื่อยๆจึงทําให้เชื่อครั้งผู้ต่างการมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหลังจากพระองค์แต่สรู้ธรรมแล้วธรรมจะพึ่งเกิดเรื่อยๆอย่างในยิ่งเป็นภูมิของศาสดราด้วยแล้วธรรมยิ่งจะเกิดมากมายไกลกอง ยิ่งกว่าที่ปรากฏในเหล่านี้น่ะทันว่าเพราะอะไรธรรมยังเกิดพอจิตเป็นธรรมอยู่แล้วก็เพื่อมนิดขึ้นมาก็เป็นธรรมเกิดก็เป็นธรรมปรากฏจนกระทั่งวันปารณิพานธรรมเหล่านี้จะมีความเคลื่อนไหวมีวามการแสดงตัวอยู่เสมอภายในจิตใจของผู้โดยสุ น, นั้นนั้น แต่ไม่ได้แสดงขึ้นเพื่อแก้กิเลสของท่านหากแสดงขึ้นตามรูดลายของธรรมรุดตามความเหมาะสมของของจิตที่เป็นธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันก็แสดงความเคลื่อนไหวอยู่ภรรายในจิตอย่างนี้ก็ถูกเพราะไม่มีอะไรเข้าไปแทรกภายในจิตม่แต่ธรรมรุ่นรั้วเวลาจิตเป็นธรรมแล้วธรรมย่อมเป็นไปเช่นั้นย่อมเกิดเดียวกันเสมอ เวลาจิตเป็นกิเลสเป็นอาสวะนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลส อ, อาสวะแต่สัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรเป็นเรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาเรื่อยอย่างนั้น hmm. จิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับการดูแลหรือการอบรมส่งเสริมเราอย่าไปตีตนก่อนไขว่าเราไม่มีวาสนาหรือเรามีวาสนาน้อยอันนี้มันจะทาให้เราท้อใจ ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสดุจแย่หลอกลวงเหมือนกันหรือขับกล่อมให้เราหลุดเนื้อลุ ด, ด, ดตัวไปในความพยายามที่จะบำเพ็ญความดีให้ยิ่ ง, งขึ้นไปเรื่องของกิเลสมีแทรกอยู่ทุกระยะเถอะตัวไม่ได้เช่นอย่างเรามีอำนาจวาสนาน้อยังนี้เป็นต้นนี่เราอยากเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเคยกล่อมจัดโลกให้หลั อันนี้มันก็ต้องกลอายิ่งเราจะไปจากมันด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงท่าทางมากเช่นพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกทรงพรนุษย์ที่แรกก็ยังมีพยา ม, มารมาถูนราชนาให้พระองค์ทรงรออยู่สักเจ็ดวันแล้วขุมทรัพย์จะเกิดขึ้นที่เจ็ดมุมเมือง ให้รอยซะก่อนรุ่นไปอจะโดนเสด็จพวงไม่รอคุ้งทรัพย์ก็เป็นโลกิยาทรัพย์เนี่ยตะ ก, กีมือเมืองก็คือโลกิยาทรัพย์ทั้งนั้นนี่เราไม่ต้องการโลกิยาทรัพย์เราต้องการโลกุตรทรัพย์วัวุตุลาสมบัติสมบัติเราจะมารออะไรทรัพย์เจ็ดมือเมืองมือเมืองอันนี้ทันวะท่านไม่ฟังเสียงเสด็จออกไปเลยนั่น ตั้งแต่ก่อนไม่เหน็นทรัพย์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นละ่ะท่านครองราชย์มตดอยู่กี่ปีทำไมไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดแต่เวลาจะเสด็จออกสมโขนวดทำไมสิ่งนั้นจึงจะมาเกิดมันก็เรื่องมารคือความพัวพัน์ความเกี่ยวข้องผูกมัดแทาไทยของพระองค์นั่นเองเมื่อได้ทรงพิจารณ์ด้วย ถ้าติปัญญาโดยละเอียดถีดถ้วนมาแล้วจึงไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงยับยัง้งไม่ทรงหลงมุมกับโลกยทรัพท์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเสด็จออกไปจนได้กัดใชรู้ถึงโลกุตระสมบัติคือความบมิสุดหมดจ ด, ดได้แก่พระนิพพานหรือได้แก่ยิงมุดหลุดพ้นเราผู้บำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันในเรื่องมามนมคอยสอดใสแทก ไปเกลี้ยกล่อมอยู่เสมอมงียบนาจบ้าสำน้าน้อยนั่งภาวนาก็ไม่เรื่องเวลาอะไรนอนพ้ดีกว่าเนี่ยไอนอนมันดีกว่าที่ไหนใครๆเขาก็นอนกันทั้งโลกถ้ามันดีกว่าภาวนาคนทั้งโลกนี้มันก็ควรจะดีไปหมดแล้วจําเป็นอะไรจะต้องมาภาวนาให้เสียเวลามีเวลาได้เรื่หนื่อยเปล่าหากว่านอนดีกว่านะมันไม่ดีกว่าการทําความดีคือภาวนาเพื่อความดีกว่าการนอน ทำไมจึงกลับเห็นเป็นฐานไฟไปได้แล้วเห็นการหลับนอนดีกว่านี้ไปได้เนี่ยพี่นายเรื่องอุบายความหลอกลวงของกิเลสมันแทรกมาได้ทุกแง่ทุกมุมมันไม่ดีก็ทราบว่ามันไม่ดีพอเรากำลังพยายามจะทำให้มันดีเวลานี้ถึงมันยังไม่ถึงขั้นที่ดีตามความพยายามเราก็ต้องทำมุ่งหน้าทำไป มันจะพ้นวิสัยในความพยายามนี้ไปได้อย่างไรทำนี้เป็นธรรมที่เป็นเครื่องส่งเสริมสิ่งที่กระตำให้สูงขึ้นโดยลำดับสิ่งที่ซาหมองให้มีความมองใสขึ้นสิ่งที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยการทําความดีของเราเหตุใดการนอนจะดีกว่าการทําดีอันนี้การทําดี น, นี้ต้องเป็นของดีสเสมอเด็กตั้งแต่เกิดมาที่แรกตัวแดงๆเท่านั้น เมื่อได้รับการบํารุงรักษาจากพ่อแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายมันยังเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันการพยายามบํารุงส่งเสริมจิตใจด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเหตุใดจะไม่ดีแล้วเหตุใดเรื่องการหลับการนอนซึ่งโลกทั้งหลายนอนกันทน่านจะเป็นของดีกว่านี้ไปได้ถ้าเราจะเอามาพิสูจน์มาพิจารณากันเรายิ่งจะเห็น ความอยากของกิเลสที่มันหลอกเราอย่างถนัดชัดเจนนี่คือธรรมอย่างนี้แหละเรื่องธรรมกับกิเลสรบกันรบแบบนี้แก้กันแบบนี้ไม่งั้นเราไปไม่ได้มีน้อยที่ไหนวัฒนาผู้สร้างวัฒนานี่คือเรามันน้อยไปไหนนะการทำความดีอยู่ทุกวันทุกเวล่เวลาคือการสร้างฐานะทางด้านจิตใจของตนด้วย ผมทรัพอันดีงามคือทรัพย์ภายในให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำหนักลำดับทําไมจะไปเร็วกว่าการหลับการนอนการท้อถอยการไม่ทําความดีไรเสียทั้งสิ้นนั่นเสียการทํานี่เป็นของดีอยู่แล้วเป็นการสร้างอํานาจวาสนาบุญญาริพผ่านขึ้นภายในตัวของเราด้วยการทําดีแบบนี้เหตุใดจักไม่ดีเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเห็นได้หรือวันหนึ่งวันหนึ่งว่า มันเติบโตขึ้นแปกหูแปกตาเราวันณะเท่าไหร่เราไม่เห็นทราบด้วยกันแต่เราปฏิเสธได้เมื่อไรว่าเด็กเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องแล้วมันโตขึ้นมาอย่อยางเป็นท่านๆเราเราอย่างนี้เนี่ยมันโตขึ้นมาวันละเล็กลน้อยจนกระทั่งเห็นได้ชัดว่าเวลาอันนี้นนเราโตเท่าไหร่ออกมาจากเด็กๆนั้นการเจริญทางด้านจิตใจพลั ง, งความดีทั้งหลายมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลําดับลําดับ แต่ทางด้านจิตใจนี้ยังมีที่สิ่งที่จะเจริญนั้เห็นได้ชัดชัดเป็นบางการบางเวลามีคือไม่ได้เป็นแบบเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยถ่ายเดียวแต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมชาติของความดีหรือของจิตที่เราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมจิตดวงนี้อยู่เสมอนั่น จะต้องมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้เจ้าตัวไม่ทราบก็เป็นความเจริญอยู่ภายในตัวของจิตเองเมื่อได้ถึงการเวลาที่เหมาะสมกันแล้วจะแสดงผลให้ตาปวดขึ้นมาเป็นระยะๆจะพะอย่างยิ่งการการจิตตะภาวนาจะทำให้เห็นได้เป็นระยะๆคือเห็นได้อย่างชาัดเจนว่าเวลานี้จิตเจริญเช่นเราภาวนาจิต ตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบเลยว่าจิตของเรามีความสงบเป็นอย่างไรใครจะพูดว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามเราไม่เคยทราบแต่เมื่อมาภาวนานแล้วมันมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะทราบเรื่องเช่น น, นี้ขึ้นมนาะอันนี้เป็นความประจักษ์อันหนึ่งแล้วต่อจากนั้นไปยังจะมีความประจักษ์เรื่อยๆขึ้นไปโดยลำดับไม่เหมือนเด็กโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่า เจาตัวเด็กก็ดีเราข้างหลายพูดดูแลเด็กก็ดีไม่ทราบว่าเด็กเติบโตขึ้นวันลั้เท่าไหร่เห็นได้ชัดนะนี่ส่วนจิตตะภาวนาเนี้เห็นได้ชัดคือเห็นเป็นพักๆเห็นเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอะไรก็ปรากฏขึ้นมาแม้จะยังไม่ปรากฏแค่ น, นั้นก็าตามสมบัติของเราคือคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ม า, ากน้อย แตนของเราอยู่แล้วภายในใจฝังอยู่ภายในจิตใจไม่ได้สูญหายไปไหนถึงจะไม่แสดงออกมาทางร้านทางลวงอย่างสินค้าทั้งหลายก็าตามก็ทราบชัดว่าสินค้านี้อยู่ในร้านเนี่ยสมบัตินี้อยู่ในใจจะน้อยไปไหนสมบัติมีอยู่ในในเราทุกตลอดเวลาด้วยความดีที่เราได้สร้างมาถึงจะไม่แสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนเหมือนสินค้าออกหน้าร้านก็าตามแต่ก็ ปรากฏอยู่ภายจิตใจของตนซึ่งเหมือนสินค้าอยู่ในร้าน <c oughs> เก็บไว้อย่างนิดชิดถึงการจะแสดงก็แสดงออกมาเองเราจรึงควรภูมิใจในการบาเพ็ญของเราไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพูด ใ, ในการส่งเสริมว่าสนามบา ร, รมีด้วยการกระทำความดีอย่าลดละท้อถอยนี่ อำนาจวาสนาบุญญาพิชฌาทานจะเจริญขึ้นได้ด้วยการพยายามบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอ น, น, นี่เป็นหลักสำคัญมาก เ, เ, เมื่อถึงการที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่แล้วปิดไม่อยู่อยู่ในร้านเขาจะออกหน้าร้านออกมาให้เห็นชัดๆเช่นเดียวกับเด็กมันอยู่ในท้องแม่ถึงการมันแล้วมันก็ต้องโดดออกมาต็มได้มันเต็มที่แล้วมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมา สมบัติภายในอยู่ในภายในจิตใจของเราก็ตามเมื่อถึงการที่จะแสดงออกมากน้อยแล้วปิดไม่อยู่เหมือนกันต้องแสดงออกมาในขณะที่ไม่แสดงก็ไม่สูญหายไปไหนถ้าว่าเป็นแบบโรคทั้งหลายเขาเรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในใจิตใจคําว่าฟักตัวก็ค่อยๆสั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆสุน ง, ง, งารความดีที่เราสร้างไว้ภายในตัวของเราเองก็สั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันนี้ก็สร้างวันนั้นก็สร้างสร้างวิธีไหนด้วยอุบายใดก็ตาม จะเป็นการให้ทานการรักษาสิ น, นการภาวนาคือการสร้างความดีทั้งนั้นแล้วความดีนี้จะไปไหนใครเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างก็จะแสดงบ่งบอกถึงใจว่าเป็นผู้เป็นหัวหน้าฮาริเริ่มเนียแล้วผลจะไปไหนถ้าไม่ไปหาตัวเหตุผู้ริเริ่มจะไปไหนก็รวมอยู่ที่ใจทั้งหมเป็นแต่เพียงว่าจะแสดงออกมากน้อยหรือไม่เท่านั้นเองธรรมชาติที่มีอยู่ ภาในาจิตใจด้วยการสังสมขึ้นมาแล้วด้วยการทำดีทั้งหลายนั้นปฏิเสธไม่ได้มีอยู่ภายในใจของตนทุกคนเวลานี้เราก็พยายามขัดเราภาชนะของเราคือภาชนะสมบัติได้แก่ความดีทั้งหลายที่เราสร้างไว้แล้วนั้น เราทำลัทธิจิตที่เป็นภาชนะนี้ไปโดยลําดับๆให้ดีเหมาะสมกับความดีทั้งหลายความดีก็จะรวมตัวอยู่นั่นอย่างสะดวกสบายจิตใจก็พอยสะอาดคุณสมบัติทั้งหลายที่ได้สร้างไว้เพื่อจิตอยู่ภายในจิตก็จ ะ, สะแสดงความสง่าง่าผ่าดผยขึ้นมาความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจากใจ ใจกัสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นเลยกลมคืนเป็นอเดียวกันต่ว่าบุญก็มหาบุญเนี่ยแต่ว่ากุศลก็มหากุศลมหาสมบัติก็คือละเอียนิพพานสมบัติเนี่ยไปรวมอยู่ที่นั่นหมดหนีไม่พ้นจากการพยายามของเราส่วนที่จะรู้จะเห็นอะไรเหมือนใครคนใดก็ตามอันนั้นเราจะไปคิดคาดให้เสียดายร่เลล่ะ ให้เราทำความแน่ใจว่าการทำดีนี้คือเราเป็นคนทำเองพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าอย่างไรเราพยายามทำตามนั้นจะปรากฏมากน้อยให้เห็นประจกักหรือไม่ปรากฏก็ตามการทําดีนั้นเป็นเครื่องผิดผลอยู่แล้วโดยลาดับจะไม่ปรากฏก็ตามผลจะปรากฏแต่การกระทำคือเหตุเช่นเรานั่งภาวนาแล้วเดินตรงๆเราให้ทาน เรารักษาศีลที่เป็นตัวเหตุนี้ก็ต่างนะผลยังไม่ปรากฏก็ยังไม่สําคัญผลถ้าปรากฏแนกกันมานั่นเองแต่เรามองไม่เห็นเห็นแต่กิริยาแห่งการทําซึ่งเป็นตัวเหตุผลจึงแทรกอยู่กับตัวของเราผู้ทํานั้นเรายังไม่เห็นเมื่อถึงการจะเห็นแล้วปิดไม่อยู่จะเห็นด้วยกันทุกข์ดพระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าพระ อ, องค์เป็นอย่างไง ความบริสุทธิได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากการสั่งสมตัวกันเดิมดับจนกระทั่งปรากฏอย่างชัดเจนภาษาวกทั้งหลายท่านได้มาจากไหนได้มาจากการสั่งสมตัวโดยลำดับๆจกนกระทั่งถึงขั้นเป็นภูมิใจก็บริสุทธิ์อำนาจวาษนาของใครมียังไงแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นแสดงตามนั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าอา้าวพระพูดถึงพระไทยก็บริสุทธิ์แต่พูดถึงเรื่องวาสนาอา้าว เป็นเครื่องตะดับของพระไทยที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมีใครเสมอพระองค์ล่ะเสด็จไปไหนมีแต่เทวบุตรเทวดามนุษย์มนาสักการบูชาเคลื่อนไปหมดตั้งแต่เครื่องพยาทานสักการบูชาจนกระทั่งคนทั้งหลายลึกแม้แต่พระยังพูดว่าเท่าที่พระองค์เสด็จไปสถานที่ใดมีเทวบุตรเทวดามนุษย์มนาสักการบูชาเครื่องสักการเคลื่อนไปหมด เพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์่ะแทนที่พระองค์จะทรงยอมรับว่าจริงเป็นพราะความบุญญาของหลายสากบหาได้เป็นเช่นนั้นไม่พวกเธอตั้งหลายอย่าพูดอย่างนั้นผิดนถ้าว่าเราจะเทียบทางโลกแล้วเป็นความพูดที่อนนเนรคุณน่กฟังเลยพูดให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วอันนี้เกิดขึ้นมา เพราะการทําความดีของเราทั้งหลายที่เราทํามามากน้อยไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะความเป็นพระบุทธเจ้าของเราแม้แต่ความเป็นพระบุทธเจ้าของเราก็เกิดขึ้นมาจากความดีที่เราทํามาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะมีอํานาจวาสนามาจากไหนถ้าไม่มาจากความดีของเราที่เราสร้างมาคือกุศลธรรมในแง่ต่างๆที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมา่นรักษาศีล การให้ทานภาวนานี่ล้วนแน้วตั้งแต่ความดีความดีเหล่านี้แดบคลิดให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานัแล้วเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายที่เกลื่อนอยู่นี้ก็เพราะความดีเหล่านั้นไม่ใช่เพราะความเป็น พ, พุทธเจ้าแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องเป็นผลของความดีแล้วพระพุทธเจ้าจะมาสับสิทธิที่ไหนโดยไม่หาความดีอุดหนุนไม่ได้ว่านั่นต่างเด็กความเป็นพระพุทธเจ้ายังเกิดขึ้นมาจาก ก็สนละทำทั้งหลายที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วหายไปไหนไม่ว่าใครจะไเกิดกี่ภพกี่ชาติไดยสร้างวาสนาบารมีมามากน้อยเจ้าของไม่มีบัญชีจดจําแม้แต่ภพชาติเจ้าของก็รู้ไม่ได้ว่าเคยเกิดในภพใดชาติใดแต่ความดีเหล่านี้มันขึ้นกับความจําได้หรือไม่ได้ไหมเนะ่ะมันไม่ขึ้นขึ้นอยกับกับเหตุที่ทําแล้วผลต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเลยเรื่อยมา จนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองโดยระดับถึงขั้นจุดหมายปลายทางเราจึงควนภาคภูมิในอำนาจวาสนาของเราเราเป็นผู้สร้างเต็มอัดเต็มสติกำลังความสามารถของเราจะได้หรือไม่ได้เราไม่สงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่เอ็นเอียงไปตามเรื่องของกิเลสหลหอกลวงอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําแล้วไม่ได้อนั้นทําแล้วไม่ได้อย่างนี้ฮะล้วทํา แล้ก็ไม่เห็นปรากฏอย่างนั้นนี่นี่เรื่องกลมายาของกิเลสที่มันเคยหลอกลวงเราซึ่งเราก็เคยเชื่อมานานแล้วเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เชื่อคําสอนพรทธาจ้าทาไมจะต้องไปเชื่อสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการหลอกลวงมาอยู่แล้วหลักเนี่ยต้องพลิกใจไปตามหลักธรรมนั่นเชื่อเป็นผู้ดําเนินตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเชื่อตามหลักส่วขาตัดธรรมแล้วจะไม่มีอุปสรรคอันใดเข้ามา อีกขวางทางเดินทางนำเนินแห่งการทำความดีของเราเราจะไปได้ตลอดปอดโรงโล่งไปโดยลดำดับจนกระทั่งถึงจิตหมาปลายทางาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควร